ส य, สมสมมงก็ขอเจริญพรนะเราท่านทั้งหลายได้ตั้งใจในการที่จะศึกษาและศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าบัน นในการศึกษาคำสอนของพระบรมศาสดาเนะ่ยรมาตรวจสอบดูในชั้นของคำสอนที่พระผู้มีภาคเจ้าได้ตรัสไว้ที่พระศาสดาตรัสไว้จะไปอยู่ใน ในอิติวิติกศก็จะมีกล่าวไว้นะเมื่อวานนี้พูดในเรื่องของทานพูดในเรื่องของทานกุศลถ้าหากว่าไปดูจากในชั้นคำสอนก็จะเห็นนะบอกว่าที่พระศ า, าสดาได้ตรัสเาไว้ว่าบอกดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ถ้าบุคคลรู้จักอานิสงส์ของทานกุศลอย่างที่เรารู้บุคคลนั้นนะ่ะนะที่จักไม่ให้ทานก่อนบริโภคนั้นเป็นไม่มีอันนั้นพูดถึงในเรื่องของแง่ของทานฉะนั้นพอพูดถึงในเรื่องของทานเนี่ย ถ้าเรามองอย่างนี้นะว่าคําว่าคําว่าสัตว์สัตว์โลกเนี่ยนะถ้าตามบาลีเขาเรียกว่าสัตตะเนี่ยก็แปลผู้คล้องอยู่ไหมเขาแปลผูกคล้องถ้าโพสิทโพโคทิสัตเนี่ยเขาแปลว่าสัตผู้คล้องสัตผู้คล้องต่อการตัสรู้เนี่ หรือพวกข้องต่อกาต่อโพธิ์เที่ต่อโพธิญาณสัตว์ผู้ที่ข้องอยู่กับโพธิโพธิญาณทีนี้โพธิ์ก็มีอยู่สามอย่างสัมมาสามโพธิปเจกับโพธิและก็สาวกาพโพธิฉะนั้นเราจะเป็นสัตว์ธรรมดาหรือจะเป็นประเภทโพธิสัตว์ใช่ไหมหรือเราจะล้องอยู่ พระเภทนะค้องครองอยู่กับโพธิหรือไม่เ น, นะตรงนี้ก็มาพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้เข้าใจว่าคําว่าพระบรมศาสดานั้นท่านเป็นพระโพธิสัตว์นั้นก็เพราะว่าท่านค้องอยู่กับโพธิญาณก็คือสัมมาสัมโพธิญาณถ้าตราบใดท่านไม่ได้สัมมาสัมโพธิญาณแล้วท่านก็จะไม่เลิกท่านถึงบอกว่า ถ้าดูก่อรภิกษุทั้งหลายถ้าสัตว์ทั้งหลายรู้จักผลของทานในกุศลอย่างที่เรารู้จักหรือผลของทานในบารมีอย่างที่เรารู้จักบุคคลนั้นจักไม่ให้ทานก่อนบริโภคนั้นเป็นไม่มีหรือศีลและบารมีศีลก็เหมือนกันถ้าใครรู้จักศีลอย่างที่พระบรมศาสดารู้เนี่ยนะ บุคคลนั้นจักไม่รักษาศีลยย่งกว่าชีวิตนั้นเป็นไม่มีใช่ไหมที่เราไม่รู้จักอานิสงส์ของศีลอย่างที่พระบรมศาสดาทรงรู้จักเราเลยไม่น้อมที่จะรักษาศีลให้มันยิ่งกว่าชีวิตว่าศีลสำคัญกว่าชีวิตและเราก็ไม่รู้อานิสงส์ของเนคขมมะบรมีเราจึงไม่ได้บําเพ็ญเนคขมมะบรมีว่า บุคคลทีเททล่เห็นโทษของกามทั้งหลายเห็นโทษของการของเรือนทั้งหลายเพื่อวัตถุประสงในการที่เห็นโทษของวัตถุ ก, กรรมนี่แหละเห็นโทษของวัตถุ ก, การามนี่แหละถ้าเห็นโทษแล้วเนี่ยนะที่จักไม่บาเพ็ญในคขมมะอย่างที่เราบาเพ็ญก็ไม่มีเหมือนกันถ้าหากว่าบุคคลไม่รู้จักใช่ไหม หรือถ้าเรารู้จักผลหรืออานิสง์ของปัญญาบารมีอย่างที่เรารู้จักแล้วเนี่ยนั้นบุคตเหล่านั้นะถ้าเขารู้จักนี่นะอย่างที่พระศาสดารู้จักนั้นนะที่จะไม่บำเพ็ปัญญาบารมีนั้นเป็นไม่มีวุเรยาบารมีขันติสัจจะทิฏฐานะเมตตาแล้วก็อุเบกขาบารมีฉะนั้นพระบรมศาสดานั้นรู้จักอานิสง์ของบารมีเหล่านี้ พระองค์จริงน้อมที่จะกบำเพ็ญทานนบรมีเป็นต้นตรงนี้ท่านขับเน้นในเรื่องของทานเพื่อต้องการให้เราท่านทั้งหลายได้เข้าใจเกี่ยวในเรื่องของทานในกุศลเป็นต้นเหล่าเนี่ยนะทีนี้ในชั้นของการศึกษาของเราท่านทั้งหลายเนี่ยเรามาศึกษาในเรื่องของจิตต า, า, านุปัสสนาสติปัฏฐานทีนี้ผมมองถึงจิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ย ถ้าขับเน้นจากทีแรกที่เราศึกษากันมาก็เริ่มตั้งแต่ที่ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตอย่างไรเล่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้จิตมีราคะก็รู้ชัดว่าจิตมีราคะจิตปราศจากราคะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากราคะจิตมีโทสะก็รู้ชัดว่าจิตมีโทสะจิตปราศจาก โทสะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ชัดว่าจิตมีโมหะจิตปราศจากโมหะก็รู้ชัดว่าจิตปราศจากโมหะจิตหดถูก็รู้ชัดว่าจิตหดถูจิตฟุ้งซ่านก็รู้ชัดว่าจิตฟุ้งซ่านจิตเป็นมหาคตาก็รู้ชัดว่าจิตเป็นมหาคตาจิตไม่เป็นมหาคตาก็รู้ชัดว่าจิตไม่เป็นมหาคตา จิต ม, มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตม Mont ีจ in ิตอ <factual S 2> ื่น <math> ยิ่งกว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้ชัดว่าจิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าจิตตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นก็รู้ชัดว่าจิตไม่ตั้งมั่นจิตหลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นก็รู้ชัดว่าจิตไม่หลุดพ้นนะฮะด้วยประการดังพรรณนามเช่นนี้ภิกษุ พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในบ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตภายนอกบ้างพิจารณาเห็นจิตในจิตทั้งภายในทั้งภายนอกบ้างนะเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นนะในจิตบ้างเห็นธรรมคือความเสื่อมในจิตบ้างเห็นธรรมทั้งความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมในจิตบ้างอยู่อันหนึ่งสติของเธอที่ตั้งมั่นอยู่ว่าจิตมีอยู่ก็เพียงเพื่อความรู้คือปัญญาเนี่ยนะ เพียงเพื่ออาศัยราลือกคือสติเธอเป็นพวกไม่อาศัยตันหาทิฏฐิอยู่แล้วและไม่ถือมั่นอะไรอะไรในโลกดูก่อนภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ภิกษุชื่อว่าพิจน า, นาเห็นจิตในจิตอยู่นี่จบจิ ต, ตานุปัสสนาสีปถานถ้าเรามองตรงนี้ก็มาเชื่อมในคำสอนในครั้งที่แล้วก็คือเราพูดในเรื่องของทานใช่ไหม ถ้าขับเน้นในเรื่องของทานอกุศลก็จะไปดูในชั้นข อ, ของคำสอนที่พระบรมศาสศดาตรัสเข้าไว้ในไห น, ไ, หนไปดูในทานาสูตรในทานาสูตรเนี่ยนะพระาศาสดาได้ตรัสไว้ในอังคุตรนิกายนะก็มีในสัตตกะหรืออัตตกะนวกกะนี่นะเล่มเดียวกันเลยเนี่ยในของพระสูตรฉบับของ มาขุดเนี่ยแต่นี่อยู่ในธรรมะธรรมะที่พระบรมศาสดาตรัสไว้นี่เป็นทราม้าหมวดหมวดหมวดหมดเจ็ดนะ น, นะเป็นสัตตกะนิบาศที่บอกว่าทานสูรเนี่ยสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ที่ฝั่งตะโบกครณีชื่อว่าคักคร า, าใกล้เมืองจำปลา ครั้งนั้นแหละนะจำปานครเนี่ยนะครั้งนั้นแหละอุบาสกชาวเมืองจำปามากด้วยกันนี่หมายถึงพระบรมศ า, ศาสดาสอนแก่อุบาสกนะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรแล้วแล้วก็ถึงที่อยู่แล้วอภิวาทอภิวาทก็คือกราบไห ว, ว้นั่นแหละนั่งหน้าที่ควรส่วนข้างหนึ่งคั้นแล้วได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญ ทามีระถาเฉพาะพระพักของพระบรมศาสดาพวกกระผมได้ฟังมานานแล้วขอได้โปรดเถิดพวกกระผมพึงได้ฟังทามีระถาของพระบรมศาสดาพุทธเจ้าท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายพึงมาในวันอุโบสถนะ ก็หมายความบอกว่าอุบาศกนี่เข้าไปหาพระสารีบุตรเรีกล่าวว่าท่านพระสารีบุตรข้าแต่ท่านพุทธเจริญทำมีกคาถาเฉพาะพระพักดของพระบรมศาสดาพวกข้าพเได้ฟังมานานแล้วก็แปลยากลักษณะจะฟังธรรมพระพุทธเจ้านะไม่ได้ฟังมานานแล้วมาเล่าพระสารีบุตรฟังเฉยๆนะสำนวนในลักษณะ น, นี้แปลว่า อุบาสกปรารถนาเลยปรารถนาจะฟังธรรมใช่ไหมปรารถนาจะฟังธรรมภาษาริบุตรก็นัดว่าถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงมาณวันอุโบสถนะถ้าสมัยก่อนเวลาอุบาสกทั้งหลายก็เข้าไปฟังธรรมเนี่ยเขาจะต้องตัดภาละตัดกังวลข้างนอกออกหมด ม, มั้ยตัดเลยอ่ะอาิญจะเป็นดินในเวลาจะเข้าไปฟัง ทมของพ่อปรมศาสดาพระเจ้าเป็นดินต้องตัดภาละจากกะงานบ้านงานเมืองหมดไหมสัตัดเลยนะใช่ไหมจะเข้าไปในวาดยังถอดชุดกระสักออกแล้วห้ามเอาสั ญ, ญลักษณ์เข้ามาเนะยอย่างเงี้ยนะนี่แปลว่าเขาเ ข, าเข้ามาแบบความเคารพจริงๆใช่ไหมเนี่ยตอนน้อมที่จับฟังธรรมมีกระถาทุกวันนี้ที่ฟังธรรมกันไปอะไรไปเนาะ อันนี้มันขาดความเคารพในพระธรรมจริงๆเนาะเคารพในพระธรรมโอ้โหผลไม่ค่อยมีผลเลยนะเราปรารถนาอยากจะมีผลมากมีอา น, นิสงส์มากไหมปรารถนาใช่ไหมใครใครเขียนในนั้นเบรร็ดเสร็จเอาไว้ดูตอนกลางวันนะเอาไว้ดูกลางวันนะที่คนเขียนเขียนเขียนมาเขาตรวจสอบ ตรง น, นี้ก็เดี๋ยวดูไปก่อนอาจจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไปต่อได้บ้างเยอะไหมเพราะรายละเอียดค่อนข้างเยอะเนี่ยวันนี้จะจะเดินในกิตตานุปัสนาแล้วก็เชื่อมโยงการทานบารมีทานทานเทุสลอย่างไรละเขาเชื่อมโยงกันอย่างไรแล้วกเกี่ยวข้องกันอย่างไรแล้วเดินทานบารมีแล้วเนี่ยทำไมเราจะต้องรู้จักตัววัตถุทานด้วยแล้วก็จะไปกาหนดจิต ยังไงให้ควรจิตและทรรมที่เกิดพร้อมกันกันกบจิตอย่างไรเป็นต้นนี้นะถ้าอย่างนั้นท่านทั้งหลายจงฟังมาในวันอุโบสถท่านทั้งหลายพึงได้ฟังทำมีคาถาในสำนักของพระผู้มีพระภาเจ้าแน่นอนพอได้พูดอย่างนี้อุบาสกก็ตื่นเต้นนะปีติปลาโมดกันใหญ่บอกว่าอุบาสกชาวเมืองจำปารำจำปาก็รับคา ท่านภาษาบุตรแล้วก็ลูกจากที่นั่งอภิวาททำประทักษิณแล้วก็หลีกไปประทักศิณกี่รอบสามรอบประทักษิณเพื่ออะไรทําความเคารพเนะคืออุบาสกและอุบาสิกาในสมัยครั้งพุทธกาลเวลาเขาไปไหว้พระไปไหว้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเขาก็จะทําประทักษิณ ส, สามรอบแล้วก็ไหว้ในทิศทั้งสี่ ก็แปลว่านะะภาษาลิบุตรเนี่ยท่านจบกิตในอริยสัสตร์ได้ยังจบแล้วเนี่ยเนี่ยแล้วรอบสามอาการสิบสองท่านชัดแล้วเนาะบอกโอ้โหยืนยันว่าข้าพเจ้าก็จะเดินตามรอบสามอาการสิบสองเหมือนท่านภาษาลิบุตรและผู้ได้เจ้านี่แหละว่างั้นเนาะ ก็ลยไหว้ที่ทั้งสีนี้ทุกนี้ได้เกิดทุกนี้ความดับทุกนี้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกใช่ไหมเป็นสัจจยานนะรอบหนึ่งเาขาไวอีกรอบหนึ่งเนี่เป็นกิจยานนะอีกสี่ครั้งก็ไหวอีกรอบหนึ่งเออเป็นกตาตยานอีกสี่ครั้งเป็นเท่าไหร่อือรอบสามอาการสิบสองเขาก็ไหว้อย่างเงี้ยไว้สามรอบทําประทักถินแล้วก็รีปะ่ะแล้วก็ไปประทักถินแล้วก็กลับบ้านเราเนี่ยนะ แลยไม่รู้อะไรไม่รู้ไม่เคยไปไประฏิญญาณเลยว่าจะเดินตามรอบสามอาการสิบสองพรเจ้าเนี่ยเชื่อมั่นนะเชื่อมั่นในสัจจความจริงของพระผู้ทธมีพระภาคเจ้าว่าสัจจะสัจจความจริงคือพระศาสดาตัดส้สัสจจะแล้วใช่ไหมพระพุทธเจ้าตัดสุทุกเนี่ยนะเป็นสัจจยานสมุทัยโดยสัจจยานใช่ไหม แโดยนิโรธแล้วก็มรรคนี่ยโดยสัจญา น, นิข้าพเจ้าเชื่อสัจจะว่าพ่อพระบรมศาสดาเนี่ยรู้สัจจะใช่ไหมรู้ความจริงของสัจจะสี่ใช่ไหมคําว่าอริยสัจน่ะคือสัจจะของพระตถาคตคือสัจจะของพอระพรทธเจ้าแต่ไม่ใช่สัจจะหรือความจริงของบุุชนใช่ไหม จะเป็นสัจจคของพระตถาคตเป็นสัจจความจริงของพระอริยเจ้า ล, ลงก็ไปแปลดีในความหมายของอริยสัจเนี่ยเราเชื่อมั่นไงเรามีตถาคตาโพธิสัตธาเชื่อว่าท่านผู้นี้ยตัศโนุัตต ร, รสัมมาสัมโพธิญาณใช่ไหมแล้วก็เชื่อมั่นภาษาริบุตรว่าเป็นสาวกของพระเจ้าใช่ไหมว่าท่านผู้นี้ยได้รับธรรมมารดก ระดับโลกุตลามรดกของพระเจ้าแล้วเนี่ยไม่ไปเบสต์ไปบอกท่านภาษาริบุตรได้ข่าวว่าท่านเนี่ยรับธรรมมมรดกของพระบรมศาสดาขอชมมรดกธรรมของท่านหน่อยสิท่านก็หลั่งไหลว่าธรรมออกไม้ชมเลยเห็นไหมไปดูในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามากสิไปดูในจูรานิเทศมหานิเทศี่ยผลงานของภาษาริบุตรได้ไหมเยอะเลยหมดเลยอย่างนี้เป็นต้น นี่ไงเราก็ได้เห็นแล้วไงนี่ไงคือธรรมบารดกซึ่งเป็นมรดกของพระเจ้าที่พระสารีบุตรรับมาเพราะท่านเป็นลูกของพระเจ้าถ้ามีใครมาถามพวกเราละ่ะเอท่านผู้มีอายุเออุบาสกวาสิกาทั้งหลายมาถามเราเนี่ยได้ข่าวว่าท่านนับถือพุทธศาสนามานาน ท่านคงได้มรดกของพระศาสดามากแล้วขอชมมรดกของพระศาสดาหน่อยสิมีอะไรทีนี้มีอะไรมาเอาออกมาให้โชว์ได้นิดเดียววันวันหนึ่งนอกนั้นมรดกของใครก็ไม่รู้ออกมาทางกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมเพ่นพานไปหมดใช่ไหม ไม่มีมรดกของพระศาสดาเลยน่าอายนะใช่ไหมเกิดมา โ, โหนับถือพุทธศาสนามาตั้งนานเป็นลูกของพระเจ้ามาตั้งนานน่าจะมีมรดกของพระศาสดามาโชว์มาอวดมาอ้างบ้างใช่ไหมไม่มีเลยเอาออกมาได้นิดนอกนั้นมรดกของมารทั้ง น, นั้นออกมาทางกายกรรมวิจีกรรมและมนโนกรรมเนี่ยแมมนะน่าละอายใจไหม น่าละอายใจกลับไปขอขมาพระศาสดาที่อินเดียสักห้าครั้งขอขมาบอกว่าข้าพเจ้าเป็นลูกไม่ดีแทนที่จะได้มรดกอันสูงส่งของพระตถาคตเจ้าข้าพเจ้าข็มัวประมาท วันๆก็ประพฤติกายะทุจริตวจีทุจริ ต, รตมโนทุจริตบาปอกุศลธรรมะลาโมก็ไหลเพ่นผ่านอยู่ตลอดเวลาเพื่พอเพื่นพนคนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าเดือดร้อนเป็นเถวเป็นแนวก็พราะข้าพเจ้าไปรับมรดกมารมาวันนี้ข้าพเจ้ามาปฏิญญาจะขอรับธรรมะมรดกของพระาศาสดาเริ่มตั้งแต่โลกีย์มรดกตั้งแต่สารณาคมเริ่มใหม่บอกนี่เธอเริ่มมากี่ชาติแล้วนี่ โอน่าอายแท้น่าอายแท้เข้าใจยังยอมแก้วเนี้ยที่พยายามเบมาพูดตลอดเดวลาเนี่ยาทานนายเราท่านทั้งหลายช่วยกันระดมว่าเราเนี่ยจะหมดอายุไข้กันอยู่แล้วใช่ไหมยังไม่ได้มรดกอะไรของภาษาสดามาชื่นชมเลยอาจารย์มีใครมาบอกว่าอาคุณ เป็นพุทธบริษัทมาตั้งแต่เกิดได้ข่าวว่าอย่างนั้นเนี่ยนี่ก็ฟ้าก็ไปอย60หกสิบวบเจ็ดสิบขวบแล้วงั้นนะอ้าวลองขอชื่นชมมรดกของพระศาสดาอายเลยมนะไม่รู้จะเอามรดกตรงไหนอ่ะไม่รู้จะเอาอะไรมาอวยมถ้าไปขอจากพระสารีบุตรจะโ ห, โโ ห, โโหเต็มที่่เลยพระสารีบุตรแสดงให้บางคนร้องไห้เลยอ่ะ เห็นมรดกของภาษาลิบุตรในขนาดนั้นเลยใช่ไหมมรดกที่ภาษาริบุตรรับได้ท่านเป็นลูกคนโตอ่ะลูกคนโตท่านได้รับมรดกมากกว่าคนอื่นเลยอ่ะไอเราลูกคน <c oughs> ออโหไม่มีมรดกภาษาสดาสักชิ้นเลยน่าคิดมากนะเนี่ยเอาไปคิดใช่ไหม ต้องคิดไม่ยอมพิชยาต้องคิดนะคิดนะโอ้เนี่ยก็เราเป็นลูกของพระศาสดาเราต้องมีสิทธิ์ในการที่จะรับมรดกอามิสรรมรดกเนีรับซะเยอะหมดบอกเราต้องการธรรมะมรดกอ่ะแล้วแมเอาโลกี้อมมรดกก็ยังพอได้ขอให้ได้เหรอ อันนี้โลกียะมารดกก็ยังไม่ได้ระดับศีลสมาธิปัญญาที่เป็นโลกี้ะก็ยังเดินกระพ้องกระแพงบางวันเนี่ยไม่มีธรรมะมรดกสักข้อเลยนั่งหน้าเครียดอยู่นั่นแหละปล่อยกายทุกเจริตวิจีทรเจริญมโนทุกจริญเพ่นพ่านปล่อยกินคาวของกิเลสคลุ้งไปหมด <c oughs> โอ้โหคนดีหนีกันเกลี้ยงเลยต้องระวังใช่ไหม เพราะกลิ่นมันแรงในกลิ่นของทุจริตทั้งหลายเหล่านี้มันแรงมากกลิ่นของกายทุจริตวัจีทุจริตทุโนทุจริตมีกลิ่นไหมมีกลิ่นเนียกลิ่นคาวของกิเลสต้องระวังเนาะเพราะเราถ้ามีธรรมมรดกของพระศาสดาจะปกกลิ่นคาวปิดกลิ่นคาวของกิเลสทั้งหลายไม่ให้ออกมาเพ่นพ่านใครขอชื่นชมแล้วก็ให้ดู นี่ไงธรรมวารดของว า, าสดาออกมาจากกายกรรมของข้าพเจ้าก็ไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อใช่ไหมถ้าทางกายกรรมก็ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในก ร, รมทางมนโนกรรมก็ไม่โลภไม่โกรธแล้วก็มีความเห็นถูกต้องในกรรมสกตาสมาธิเป็นไปกระสุดจริสามกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดแล้วก็ใจก็สะอาด โอ้อยางงี้ก็ค่อยอยังชั่วใช่ไหมยังได้มรดกของพระศาสดาพอมาอวดมาอ้างนิดๆหน่อยๆใช่ไหมสำคัญจะไม่มีเอาเลยต้องระวังเลยเนี่ยบอก อ, อ่าอุตสาห์เป็นรูปของพระเจ้ามาทั้งนานไม่ได้ชื่นชมมรดกของพระศาสดาน่าคิดมากเนี่ยต่อมาถึงวันอุโบสถอุบาสกก็ต้องการนั่นแหละนั้นฟังธรรมคือต้องการไปรับมรดกพระเจ้าวันนี้ เวลาเรามาฟังพระสัจ ธ, ธรรมของพ่อโบรมศาสดาก็คือเป้าหมายก็คือมารับเอาธรรมะมรดกไม่ใช่มารับเอาอามิสสมรดกของภาษาสดาเนี่ยต้องตั้งใจรับไหมต้องทํากายกรรมวจีกรรมโดยเฉพาะธรรมโนกรรมเนี่ยเป็นพาชนะอย่างดีที่จะลองรับธรรมะมรดกของภาษาสดา ถามว่าพระศาสดาเนี่ยจัดสรุนนุตตะสัมมาสัมโพธิญาณต้องใช้เวลามากเนียธรรมะเป็นของสะอาดเป็นของบริสุทธิ์เป็นของหมดจดเป็นของสูงเป็นของมีค่าซึ่งของมีค่ามากเอาอะไรไปเปรียบเทียบไม่ได้เอาราชบัลลังก์เอาแผ่นดินทั้งแผ่นดินเนี่ยนะไปเทียบหนึ่งบาทคาถายังไม่ได้เลยใช่ไหมเนี่ยแผ่นดินทั้งแผ่นดินเนี่ย เอาไปแรกกันหนึ่งบาทพระคาถาในพุทธพจน์ยงไม่ได้เลยฉะนั้นมีค่ามากกว่าอย่างนั้นฉะนั้นเราก็ต้องทำภาชนะอย่างดีน่ไหมทำกายกรรมมจีกรรมมนโนกรรมให้สุดจริตประดุดต้งภาชนะทองคำเมื่อลองรับน้ำมันราชสีอะยังไงลองรับก็ทำอริษณศ น, นี่ดออย่าให้มีอะไรเจือปนดีไหม เออเนี่ยกาถึงบอกน้อมปังพระสัตธรรมเนี่ยเขาน้อมปังกันอย่างนั้นเขาตั้งใจจริงๆนะเพราะต้องการที่ว่าโอ้โหเมื่อไหร่ธรรมะมระดกจะไหลลาดลดกระแสจใจมันเข้าไปเจ้าใช่ไหมแต่ถ้าบาปอกุศลธรรมลามกมันเต็มในใจอยู่เนี่ยมันจะลงได้ไหมมันก็ลงไม่ได้ใจมันหนักบ้างใจมันเครียดบ้างใช่ไหม ใจมันแข็งกระด้างโดยที่ถีมานะบ้างใจมันหนักด้วยถีน้มิธาบ้างใช่ไหมใจมันร้อนใช่ไหมด้วยอุทะจกักจกุกุจะบ้างและใจมันป่วยด้วยกิเลสทั้งหลายไม่คอยทิมคอยตําอยู่ตลอดเวลาแล้วมันจะลองรับได้ยังไงเราท่านทั้งหลายถ้าเรียนธรรมะด้วยใจสกปรกเนี่ยใจไม่สะอาดเนี่ยพระธรรมจะไม่เข้าใจ จะไม่มีความลึกซึ้งในพระธรรมเลยฉะนั้นท่านต้องชําระกายกรรมวิจีกรรมและมโนกรรมนะเพื่อจะเป็นภาชนะทองรองรับพระธรรมเทศนาของพระศ า, าสด า, านะเมื่อนานมาเวลาจะกล่าวพระธรรมออกมาก็ต้องชําระใจตนเองเหมือนกันนะชําระกายว่าใจาและจิตใจให้สะอาดบริสุทธ์นะเฮ้เราคู่ควรจะกล่าวพระธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมเนี่ย พอพิจารณาเบ็ดเสร็จเนี้ยก็ต้องชําระตนไหมต้องชําระตนให้สะอาดให้หมดจดเอาทําแบบนี้ดีไหมเห็นไหมเขาทากันแบบนี้แหละเขาทำกันแบบเนี้ยนี่ไงอุบาสกพอถึงวันอุโบสถมากันแล้วอุบาสกนี่กล่าวถึงอุบาสิกาเลยนะ ชาวเมืองจำปาก็พากันไปเข้าไปหาพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งนที่ิควรส่วนข้างหนึ่งรำดับนั้นท่านพระสารีบุตรพร้อมด้วยบาโศกชาวเมืองจำปาเข้าไปเฝ้าพระบรมศาสด า, าถึงที่พระทับถวายอภิวาตแล้วนั่งนัี่ควรส่วนข้างหนึ่งคันแล้วได้กราบทูลถามพระบรมศาสด า, าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญทานเช่นนั้นนั่นแหล ถามเรื่องทานนะเจตนาใช่ไหมเรารู้แล้วว่าเจตนาทานได้แก่เจตนาเจตสิกที่ประกอบในหมหากุศลจิตวิบากใช่ไหมส่วนวัตถุทานได้แก่อะไรได้แก่อะไรวัตถุทานได้แก่อะไรวัตถุทานได้แก่อะไร คำว่าวัตถุทานได้แก่เจตนาเจตนาทานนี่เป็นเออเป็นกลุ่มมหากุศลนนะเป็นกลุ่มมหากุศลนนะแต่ถ้าวัตถุเนี่ยหมายถึงอะไรสิ่งของอันใดอันหนึ่งทั้งหลายนะที่พึงให้ฉะนั้นสิ่งของอันั้นชื่อว่าทานได้แก่วัตถุ สิ่งของที่พึงให้มาจะาคําว่าทาตับวัตถุหลือไทรธรรมะเป็นไยรธรรมนั่นเองนั้นทานจึงจัดเป็นสองในที่นี้ก่อนเนาะเป็นเจตนาทานแล้วก็วัตถุทานในเจตนาทานก็ก็แบ่งตามการผูกพัดเจตนาทานนะเจตนาที่เกิดก่อนในระหว่างที่ยังไม่ได้ให้ตั้งแต่ไหน ตั้งแต่คิดเนีนะตั้งแต่คิดว่าจะทําจะให้ทานเนี่ยตั้งแต่การแสวงหาใช่ไหมแสวงหาวัตถุสิ่งของที่เป็นกายธรรมมุนจัดเจตนาทานก็คือเจตนาที่เกิดขึ้นในขณะก็กำลังให้อปะรัตเจตนาทานเจตนาที่เกิดขึ้นหลังจากการให้ทานเสร็จแล้วด้วยด้วยพร้อมกับอะไรปีติเกิดไหม ปีติเกิดอิ่มใจเกิดในการให้เป็นต้นการทั้งสามเนี่ยเป็นปุพพัตเจตนาทานเป็นต้นเนี่ยถ้าได้โอกาสสามารถส่งผลในปฏิสนธิการเป็นต้นได้แต่ต้องแต่ต้องเรากล่าวไว้สำหรับผู้มีศีลไม่ใช่กล่าวไว้สำหรับผู้ทุศี น, น่ะนะที่จะเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยต้องขับเน้นใ้นชัด อันนี้แปลว่าอะไรทานที่ถูกกำกับโดยศีลใช่ไหมจึงมีผลมากจึงมีผลมากและมีอา น, นิสงส์มากทีนี้ถ้าให้สังเกต ด, ดูนะที่ในที่ท่านแสดงไว้ในอภิธานเนะี่ยที่มาจะคำว่า เอกุเอกะเอกปกผังยชิตวานะอสิติกับปากโกดิโยทุกติงนาวิชานามิเอกะปกผัสสีทางพลังบอกว่าการบูชาได้ดอกไม้หนึ่งดอก ทำให้ข้าพระเจ้าไม่เคยรู้จักความเป็นอยู่แห่งทุกคติพบมีนรลกเป็นต้นเป็นอย่างไรตลอดเวลา80โกรอายุกับหรือตลอด80โกฎชาตินี่แหละเป็นอานดสงผลที่ได้รับจากการถวายดอกไม้เพียงดอกเดียวจะได้เข้าใจจะได้เข้าใจว่าดอกไม้เนี่ย น, น, น, น, นี่นี่ดอกไม้หนึ่งดอก ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ดอกเดียวด้วยนี่หนึ่งช่อเนี้ะทำยังไงจะได้แปดสิบโกรดกับอายุคูณห้าคูณห้าโดสิบอดเอแปดสิบโดกับอายุคูณห้าโกดกับนะแปดสิบโอดนะคูณห้า ที่เขาได้คูณห้าเนี่ยเขาเขาเริ่มตั้งแต่ไหนเออปุพพะเจตนาทานฉะนั้นปุปปุพพะเจตนาทานนี่ยสำคัญนะปุพพะเจตนาทานนะใครสามารถเดินปุพพะเจตนาทานได้ละเอียดละออนี่นะเพราะตัวทานนะวัดเจตนาทานทั้งหลายขับเน้นที่ตัวเจตนาไนงะ เจตนาที่เป็นไปก่อนกระทําทั้งหลายเนี่ยนะแล้วตั้งแต่การสแสวงหาวัตถุ ก, การไข้ควรการพิจารณาการวิจัยเป็นต้นไปตามลําดับเอาดอกไม้เนี่ยเอาดอกไม้ที่เป็นไปในอนาคตในกระไรตนเองแสวงหาเป็นโรงงานผลิตกุศลเนี่ยเป็นโรงงานผลิตกุศลผลิตเม็ดของกุศลและชาวนาให้เกิดขึ้นอย่างหนาแน่นเนี่ยทํายังไง นี่แหละท่านถึงผลิตไปเรื่อยท่านถึงแสวงหาเป็นไปตามลําดับนี่ไหมคิดว่าจะทําบุญให้ทานหรือตั้งแต่การแสวงหาวัตถุสิ่งของที่เป็นไตรยธรรมหรือเป็นวัตถุลักษณะอย่างนั้นก็เรียกปุพพาเจตนาทานทั้งหลายก็ใค่ควรใช่ไหมอันนี้เป็นตุเป็นเป็นองค์ประกอบแห่งการที่จะเป็นที่ตั้งแห่งการผลิตและเป็นเป็นวัตถุนะเป็นเหตุและ เป็นกาธนาและเป็นเหตุแล้วเป็นเหตุถึงการที่จะทําให้กุศลและเจตนานั้นเกิดขึ้นอย่างหาประมาณไม่ได้เป็นกุศแลแเฉาน้าเกิดขึ้นอย่างมากมายเออ่นหลักปุพพะเจตนาทานนั่นแหละปุพพะเจตนาแต่ยาแต่ ย, มออยปปเมื่อยเออเนี่ยนี่ น, น, น นะทีนี้การตรึกการไข้ควรเนี่ยนะถ้าในขณะร้อยต้องยิ่งฟังเรื่องปุพพเจตนาทานได้ชัดนะเพราะจะได้ไม่ปารบเรื่องอื่นปลารบเรื่องทานนะปารบเรื่องดอกไม้ที่จะถวายรอดอันนี้ก็เลยกลายเป็นมุมอื่นไปไงอันนี้ต้องมุมนี้ไงอันนี้เราต้องการมุมนี้ เพราะขั้นให้ปารบอะไรปารบรูปเป็นทานใช่ไหมเสียงเป็นทานกลิ่นเป็นทานรสเป็นทานผู้ถ้าพาและธรรมะธรรมรมเนี่ยเป็นทานนี้จะเอาอะไรเป็นประธานในการปารบไม่ไม่เด่นชัดในใจอะสีพระวรากายของพระบรมศาสดามีสีทองผ่องงามไพ่ด้วยฉับพลันลังสี ด้วยสัพพัญญุตยานอนาวรณายานอินทรียากรโอปรเรติยานมหากรุณาสมาปฏิยานยมะกะปฏิหารยิยานแล้วก็อาศยานุสยายานของพระบรมศาสดาที่ไหลอยู่ในหัยวะวัตถุของพระบรมศาสดาธรรัศมีเปล่งปลา่งซ่านอกจากพระวรกายเป็นฉับพันตรังสีเราจะทําจะไหนหนอเนี่ยที่จะร้อยพวงมาลัยเนี่ยถวายถวายพระบรมศาสดาเนี่ย ทำสีทองผ่องงามไพ่ต่างๆเหล่านี้ยให้พิจารณาเราจะเอาสีสีนี้เป็นประธานจะเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาโพธตภะเอาธรรมารมของดอกไม้นี้เป็นบริวารเนี่ยนะเริ่มใครควรเป็นไปตามลำดับในลักษณะอย่างนี้ก็มาวิจัยเป็นไปต่งตางๆลำดับมือที่กําลังทําใจที่กระลำคิดนี่เป็นกายกรรมที่เป็นทานกุศล แล้วก็สลรเถรนคุณของพระศาสดาพูดไปด้วยแล้วก็คิดไปด้วยในขณะนั้นน่ะว่จีกรรมตอนนั้นก็เป็นทานกุศลไม่ทํากายไม่ทําวาจาให้เคลื่อนไหวอยู่นิ่งๆไขควรพิจารณาเห็นพระคุณของพระศาสดาด้วยการระลึกจะถวายสีเป็นประธานแล้วก็เอาเสียงกินรสโพธิภาและทำมาลมเป็นบริวารเนี่นะเป็น มโนกรรมที่เป็นทานกุศลเราได้ทานกุเราได้ได้ทานกุศลทางกายกรรมที่เป็นทานวจีกรรมที่เป็นทานมโนกรรมที่เป็นทานกุศลแล้วเราได้บูชาพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยดอกไม้นี้แล้วเนาะเป็นบุญยาลาภของเราแล้วเนาะใครควรไปเลยจนปีติเกินนะยม จังปีตีปราโมดปฏิทิความสุขเกิดเนีนต้องอย่างนี้สิบุญถึงจะเกิดจะเขา้าใจว่าเขาเขาตรึกกันอย่างนี้เขาไขควรอย่างนี้ให้คืออย่างนี้งานยิ่งดีเราจัดเอาดอกไม้เอางานการที่ทำเป็นโรงงานผลิตกุศลชาวนาถวายเป็นพุทธบูชา เ, าเ็าเรียกว่า ถวายเป็นพุทธบูชาใช่ไหมเน<笑><笑> <S <S ี่ยดีแล้วเนี่ยนั่นแหละดีมาทำเป็นเดือนเป็นปีทำไปเฮอตายในขนาดนั้นจะได้มากกว่าแปดสิบโกดกับเอาอ่ใช่ไหมเพราะเราถวายผู้มีคุณเนี่ยใช่ไหมเราถวายผู้มีคุณเน่ย คิดดูว่าสัพพยุตยานกว่าจะได้มายี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันวิญญาณขันที่สมยุตยกับสับพพยุตยานนั้นกว่าจะได้มาก็ตั้งจะแม้สี่ยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับรู ป, ปกายที่ประดับไปด้วยมหมาปุริสละขนาดสาสิบสองและอนุพยานชนะแปดสิบกว่าจะได้รู ป, ปกายนั้นมาเนี่ยนะ ที่เป็นรวมเป็นขันห้าของพระบรมศาสดานะยี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากรับน่ะเริ่มตึกตั้งแต่ไหนเดีเยนีย้เริ่มตึกตั้งแต่มานบนมน่ะแบกมารดาข้ามมาสมบทรในสัมปรวิบากโอ้โหชัดเลยเดียนี้เห็นไหมเนี่ยต้องคิดอย่างนี้สิเชไหมคิดอย่างเนี้ยโอ้โหได้อะไรใช่ไหมเราจะถวายรูปเป็นทานถวายสี เสียงกินรถโพดอัพาแล้วทำมารมเป็นทานเนะี่ยต้องดูผลดิ้นเนี่ยนะใช่ไหมผลจะมาอย่างไงอายุใช่ไหมถ้ว่าคูณห้าคูณห้าไปสิอายุใช่ไหมอายุเราจะมีอายุนะ่ะเป็นแปดสิบโอดกับอัตภาพใช่ไหมเอาสิวันนะกก็จะมีผิวพันผ่องใสนะ่ะ ยิ่งกว่าแปดสิบโกรธกับอัตภาพชาติเน่ยว่าไ้เอยกับนี น, นี่ว่าอย่างเงี้าายเขาไล่ไปสุขะขคือความสุขก็จะเกิดขึ้นเห็นไหมนั่นแหละแปดสิบโกรธกับอัตภาพกำลังก็ยืนผู้มีกำลังดีน่ะแล้วปฏิภาณในที่นั้นคือปัญญาเพราะวิจัยไงสร้างเหตุคือการวิจัยไงปัญญาถึงได้ ตรงนี้การบูชาดอกไม้หนึ่งดอกทำให้ข้าพเจ้าไม่เคยรู้จักความเป็นอยู่แห่งทุกขติพภมีนรกเป็นต้นเป็นอย่างไรตลอดเวลาแปดสิบโกรอายุกับหรือตลอดเวลาแปดสิบโกรชาตินี่แหละเป็นอธิสงผลที่รับจากการถวายดอกไม้เพียงดอกเดียวเอาสิเห็นไหมเขตตรงนี้เขาสร้างถูก เสียดายไม่ฟังเรื่องนี้ก่อนนี่แหละเนี่ยแก่ดีแต่ต้องต้องให้ได้เหตุปัจจัยอย่างนี้ด้วยเนาะฮะอ๋อท่านขับเน้นตัวอุสรและเจตนานะใช่ใ เพราะว่าของปราณีตใช่ไหมอยู่ที่จิตที่ปราณีตด้วยอยู่ที่จิตปราณีตด้วยนะปราณีตระดับชั้นต่ําชั้นกลางและชั้นปราณีตเดี๋ยวจะขยายดูว่าเขาปราณีตยังไงนะเดี๋ยวจะไปขยายคําว่าปราณีตเพราะปราณีตจริงๆวัตถุปราณีตปานปราณีตแต่วัตถุไม่พอต้องกุศลต้องชั้นปราณีตด้วย เอาฉันที่ที่บาตยังไงวิริยิที่บาตยังไงจิตติที่บาตยังไงวิมังสิตที่บาตยังไงที่ไปเกี่ยวข้องกับการน้อมบูชานั้นนั้นมันเป็นอย่างนั้น <c oughs> อันนี้พูดเรื่องจิตตาโนปัสสนานะเพราะตอนนี้เราจะเอาเอาตัววัตถุทานเนี่ยใช่ไหมสรุปอย่างนี้ต้องการให้เรามองว่ารูปขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นวัตถุทาน ใช่ไหจิตทั้งหลายที่เราศึกษาจิตานุปัสสนาติปฐานเนี่ยอันนี้เป็นกุโสลเจตนาทานอันนี้นการแยกรูปแยกนามตรงนี้นี่แหละที่จะไปขั้นตอนอย่างการเจริญจิตตานุปัสสนาใช่ไหมถ้ารูป ก, กรรมฐานต้องแข็งแรงก็แปลว่าถ้าวัตถุทานยังไม่ชํานาญเลยเจตนาทานก็ไม่ชัดอย่างเงี้ยเนอเราต้องไงคนเขาต้องให้วัตถุเนี่ยการให้วัตถุเป้าหมายคือขับเน้น ให้ได้เห็นความปราณีตของกุศลเจตนานะี่ยที่เป็นไปในทานเจตนากุศลนี่มีตรงนั้นเลยนะตอนนี้เราก็คือจะเราจะเดินกองทัพอะไรก็ทานน ะ, อะกองทัพอะไราะาทานเจตนาโยธา